วันนี้เป็นวันที่31ตุลาคม2521ารื่องสำหรับรายการนี้ก็พ่อให้สัญญาให้ชื่อว่าเป็นมรณะสัญญาคำพูดต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นการคุยกันระหว่างพ่อกับลกูกไม่ถือว่าเป็นคำปราศัย หรือว่าไม่ถือว่าเป็นคำสอนสำหรับคนทั่วไปตั้ง น, นี้ก็เพราะว่าพ่ออยากจะให้ลูกทุกคนของพ่อที่พยายามศึกษาธรรมะเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทุกคนก็ทำได้ดีโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพ่อก็ขอชมเชยตี่มันดาลูกของพ่อทุกคน สามารถใช้อติตังสยานได้ดีมากอย่างเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ไปเชียงใหม่ไปทอดกะถินที่วัดทุ่งหลวงแล้วกลับมาพักอยู่ที่บ้านของท่านคุณแอนท่านพันโทสะ ก, กลซึ่งเป็นเ อ, อซึ่งเป็นผู้คับกองพันกองทหารสัตตาง พอพ่อถามขึ้นมาก็ปรากฏว่าทุกคนใช่ตีตานได้ทันทีอันติอตีต่างสัญญานได้ทันทีสำหรับเรื่องญานต่างๆนี้ลูกหลักเขาได้ทราบว่าถ้ามีใครเขามาได้ยินเราคุยกันหรือว่ารับฟังเรื่องนี้บางทีก็จะหาว่าพวกเราอวดอุตริมนุสธรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาก็แล้วกัน หายเขาแย่าหาว่าเราบ้าๆบอๆก็ช่างเถอะอย่าสนใจกับคําพูดของคนขอลูกทุกคนยันจาว่าเราไม่ใช่เป็นเถินธรรมรายอย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่นักหนาเสียกระดาษอย่างเดียวอย่างท่านสุธรรมเถนสมัยพระพุทธเจา้า ท่านสุธรรมเถนเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกแต่ก็ไม่ปฏิบัติพระธรรมะข้อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าถึงธรรมจริงๆปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเถนใบลายเปล่าและในที่สุดท่านสุธรรมเถนก็อดรนทนไม่ได้ต้องปฏิบัติธรรมะในด้านจิตใจในที่สุดท่านก็ได้บรร ล, ลุอรหัตผล พอได้อาลัสตะผลแล้วท่านก็มีความรู้สิกตัวว่าการรู้จากตำราเนี่ยรู้ไม่จริงคือมีความไม่เข้าถึงตำราสำหรับมรณะสัญญานี้ถ้าพ่อจะเล่าละเอียดก็จะใช้เวลามากใช้คัดเศษมากสำหรับใจตอนนี้พ่ออยากขอคุยแต่เพียงย่อยๆให้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาของลกูก ในช่วงเดือนปลายเดือนกันยายนมาถึงเดือนตุลาคมปรากฏว่ามรณสัญญาเกิดกับพ่อสามครั้งหรือ ว, ว่ามรณสัญญาที่เกิดขึ้นนี้เป็นสัญญาลักมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่พ่อสามารถมีทิพย์ปิยกุญานขึ้นมาเองพ่อต้องขอพูดว่าเป็นทิพย์ปิยุญานที่ขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่เข้าใจคำว่าสมถะและวิปัสนาเป็นแต่เพียงท่านแม่ท่านบอกว่าให้ภาวนาว่าพุโทโธเมื่อภาวนาเล็กน้อยแล้วก็นอนหลับหลังจากนั้นมาพายุย่างเขาเจ็ดปีเขาปรากฏว่ามีที่ประโยชน์น้อยน้อยหรือว่าถ้าไปนอนที่ไหน้ะไปที่ใด คืนแรกจะปรากฏเหตุการณ์นาดีทั้งหมดว่าบ้านนั้นมีการตายกี่คนแล้วก็ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอาการตายจะตายละวิธีแบบไหนอาการแบบไหนเขาได้รับความสุขความทุกข์เป็นยังไงในชีวิตที่ก็เป็นมนุษย์อยู่ขเขาประกอบกรรมทำอะไรบ้าง เป็นนั้นว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังแล้วก็ชี้ช่องจุดทางเที้งทรัพย์สิน่อต่างๆบางรายก่อนเขาตายเขาไม่ได้บอกลูกบอกหลานไว้ว่าเงินมีที่ไหนบ้างทองมีที่ไหนบ้างสมัยนั้นชอบซุกแล้วก็ชอบหมกดินเพราะว่าไม่ค่อยจะมีธนาคารนี่เป็นะนั้นวความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นพ่อถือว่าเกิดขึ้นมาเอง เพราะว่าพ่อไม่ได้ฝึกมาตอนนี้เราก็ต้องมาคิดให้มีความเข้าใจกันว่าใครเขาเยาะว่าอย่างไงก็เป็นเรื่องของเขาเราถือว่ามันเป็นประสบการณ์ของเราก็แล้วกันและในที่สุดคนที่เขาว่าเรานั่นแหละถ้าเขาปฏิบัติบ้างเขาทาบ้างเขาก็จะพบกับความจริงที่เรียวก ว, ว่าของจริงมีอยู่ คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นถ้ายาทรงก็ได้ทำราก็รู้สึกว่ายังไกลความจริงมากถ้าเรื่องของเขาก็เรื่องของเขาเรื่องของเราก็เรื่องของเราโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคนที่เกิดมาจากอบายภูมิมาเกิดเป็นคนที่เรียกว่าปทะพบรมะเขายาทรรราทรงเพศเพศเป็นครวัตทรงเพศเป็นบรณชิตก็ตาม คนพวกนี้เนะี่ยเขาไม่มีความเข้าใจในธรรมะข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแม้สิ่งก็ไม่บริสุทธิ์เราจะไปเรจะไปรับฟังเขาสำหรับผู้เนยยะผู้นี้รู้สึกมีความดีพอสมควร <c oughs> แต่ก็ไปพูดเรื่องผลโขญชาญขงยานพูกนี้เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ยังมีความเข้าใจอยู่สองพวกคืออุกติตัญยูกัวิปติตัญยูคนนล่งสองพวกนี้ถ้าพวกเรื่องเรื่องพูดหนึ่งชาญเรื่องยานสมาบัติเขาเข้าใจดีเพราะเขาเป็นคนเอาจริงเป็นคนสั่งสมความดีมามากแล้ว <c oughs> ตอนนี้พ่อขอพูดสมณสัญญาอันสุดท้ายคือถอยหลังเข้าไป เมื่อคืนวันที่17ตุลาคม2522ความจริงร่างกายของพ่อดีมากก็ลืมบอกไปสมณสัญญาที่เกิดมันจะเป็นสีแดงอยู่ๆก็เห็นสีแดงขึ้นมาถ้าสีแดงมากแสดงว่าป่วยมากสีแดงน้อยแสดงว่าป่วยน้อยสีแดงตั้งอยู่ช้าหรือเร็วตั้งอยู่ช้าแสดงว่าป่วยนาน ตั้งเว็บแล้วก็หายไปแสดงโปรยฉับพลันแล้วก็เร็วหายเร็วการเห็นสีแดงส า, าระครั้งแรกเห็นสีแดงใหญ่แต่ว่าเป็นสีแดงเทาๆเามหมือนกับสีเลือดหมูแดงไม่มากตอนนี้แม่สีมาสั่งให้ฉันยาถ่ายสามแก้วซึ่งตามโบติพอฉันแก้วเดียวแก้วกินยาก็ถ่ายทั้งห้าครั้ง แต่พอคัดค้านเข้ามาสีก็บอกว่าเวลานี้ราไส้ก็ดีกระเพาะก็ดีทั้งสองอย่างประสาทไม่ทํางาน <c oughs> พ่อก็ลองเชื่อเธอเมื่อเชื่อแล้วฉันก็ไปสามแก้วรู้สึกว่าถ่ายมานิดเดียวเธอสั่งให้ใช้ยาแบบนี้ 3, สามวันซ้อนพอถึงวัน 3, ที่สามจึงถ่ายเป็นปกติแล้วก็อาการอย่างนั้นก็หายไป นั่นเปนเครียดมาตอนหนึ่งเขาก็ทนแล้วต่อมาวาระที่สองสีแดงก็ปลายกว่าคนอีกตอนนี้พ่อต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อตอนเดินทางเข้ากรุงเทพนี่รู้สึกว่าฉันอะไรไม่ได้มันทําท่าจะอาเจียนน้ําส่งคนดีน้ําดื่มคนดีที่ก็ให้มาเป็นประจําเวลาก็ต้องจิบเน้อ ย, อยแล้วก็ปล่อย ความจริงขนาดที่พ่อเข้าของเทพอาการของพ่อเครียดจัดแต่ว่าบรรดาคนที่เขามานั่งคุยกับพ่อเขาคงไม่รู้ <c oughs> เวลานั้นเป็นช่วงที่สีนแดงอาการที่สองสแสดงพอดีพ่อก็พยายามอดทนทุกอย่างเพื่อธรรมะข้าองค์สมเด็จพระสัมมา ส, สัมพุทธเจา้านี่ก็รู้สึกว่าถ้าพ่อป่วยนี่มันมีเรื่องคิดอยู่อย่างหนึ่ง คือพ่อจะเอางานเอาการอย่างเดียวแต่คนที่เข า, าพูดอะไรกับพ่อที่ไม่เป็นงานเป็นการพ่อจะตัดทันทีท่านนี้พ่ออะไรเพราะพ่อรู้ตัวว่าเวลาตายมันใกล้เ ข, <c oughs> ข้ามาคันเมื่อกลับมาจากกรุงเทพก็ปรากฏเส้นแดงอีกชิ้นหนึ่งมันขึ้นมาแดงจัดแล้วก็หายแวบไปทันที พ่อก็มีความรู้สึกว่าสีแดงนี้ <c oughs> บอกอาการอการป่วยอย่าเจียบพลันแต่ว่าลูกอย่าเพิ่งก็ขอลูกเพิ่งทราบว่าสีแดงเนี่ยไม่ได้ทำให้พ่อป่วยเป็นว่าสีแดงมาบอกว่าพ่อจะป่วยมันเป็นสัญญาณกันตั้งแต่เด็กเขาบอกไว้แล้วว่าถ้าสีแดงเกิดขึ้นมันจะต้องป่วย แต่ความจริงเมื่อก่อนนี้พ่อเคยใช้อารมณ์อย่างหนึ่งว่าพิสุทตัวเองว่าเมื่อไรจะป่วยเมื่อไรจะมีเหตุอะไรขึ้นแล้วเมื่อพ่อทราบโดยมากพ่อจะดูไว้ก่อนสามปี <c oughs> แล้วพ่อก็หาทางพยายามป้องกันทุกอย่างแต่ว่าในาที่สุดเมื่อถึงเวลามันก็ต้องเป็น ก็ต้องถือว่ากฎของกรรมคือการป่วยกนดีอาการต่างๆที่มันเกิดทงสร้างความเล่าร้อนคนดีมันเป็นกฎของกรรมเวลานี้พ่อกันเลยไม่สนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเชิญตามอัธยาสัยหมายกว่าว่าขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมนี่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้พ่อขอเข้าเรื่อง เข้าเรื่องตอนที่พ่อป่วยแล้วก็มันต้องตายความจริงพูดถึงความตายนี้รู้สึกจะเพิ่อไปในชีวิตของพ่อแด้ตายมันก็ตายไม่จริงคือมันตายไม่ตายเลยแล้วก็ตายก็กลับและเรื่องนี้พ่อก็ถือว่ามันเป็นความดีส่วนหนึ่งที่ความตายมันเกิดกับพ่อจนชิน จ น, นทั้งเวลานี้รู้สึกว่าความตายเป็นของธรรมาดาเราแค่พูดกันง่ายๆก็เรีว่าความตายเป็นของเด็กเล่น <c oughs> <c oughs> การทรงอารมณ์ลูกรักเจนว่าพ่อมีการทรงอารมณ์ไม่หนักแต่จิตใจของพ่อในตอนท้ายนี้รู้สึกว่ามันเหนื่อยทุกอย่างโลกทั้งโลกมันจืดไปหมด หนึ่งราบจืดการเสื่อมราบจืดยศอยากได้ยศก็จืดและการไม่ได้ยศก็จืดความสุขเทโลกีวิสัยเกิดขึ้นอารมณ์ใจมันก็จืดความทุกข์มันเกิดขึ้นจิตมันก็จืดนินทาเกิดขึ้นก็จืด สนเสริญงเกิดขึ้นก็จืดสำหรับการนินทาด้การก่แกล้งการนินทาเฉยๆไม่ใช่เขาหนักลูกครับ ก, ก็คนนินทาก็พูดทีหลังสำหรับพ่อนี่ถูกอรชีแ ก, กล้งมามากเจอท่าเมาสร้างวัดให้วัดมันรุ่งเรืองขึ้นก็ถูกมันดาพวกทรงผ้ากาสาวพัด ที่จัดว่าประอรชีผู้ทำลายพระศาสนาแกล่งแกล้งทุกอย่างเจอทั่งการยกช่อฟ้าหรือว่าการจะฝังลูกเดมิทก็เกิดจะทำไม่ได้พ่อตอนนั้นตัดสินใจว่าถ้าพู้อรชีแกล่งแกล้งแบบนี้ถ้าพระในประเทศไทยไม่มีพระดีพ่อก็จะประกาศแยกนิกายทันทีไม่ขึ้นกับพระอะไรทั้งหมด เพราะทุกองคไม่ใช่พ่อของพ่อวินัยมีเขาไม่ปฏิบัติกันพระราชบัญญิมีกฎมหาเทระสมาคมมีเขาไม่ปฏิบัติกันพ่อก็ต้องถือว่าคนพวกนี้ไม่ใช่พระเป็นโจรปล้นความดีของพระพุทธศาสนา พ่อถูกข้อรุมดา่ารุมว่าประชุมดา่าประชุมว่าใช้เครื่องอย่างเสียงด่ามาเป็นปีๆตอนนี้ลูกมีความรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่ากําลังใจของพ่อมันก็เฉยๆเนะี่ยมันจืดๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพ่อบวชมาอุทิศในพระุทธศาสนาไม่ใช่อุทิศเพื่อคนชั่วในเมื่อคนชั่วเขาทําชั่ว เราก็ยกยอดไม่ยอมรับนับถือคนชั่วแต่ก็เป็นการบังเอื่นมีคนดีจี่สมเ็ตพระพุทธโคสาจารย์วัดสามพาัญญางคนี้ชื่อเดิมชื่อพระมาหาพื้นป ร, ริงก้าประโยคแล้วกับคณะของท่านกับสมเ็ตพระมาหาวีรวงศ์วัดราชภาฎิการาม และคณ ะ, ะของท่านให้การสนับสนุนไปอันดีคําว่าคณ ะ, ะก็มีพระราชาคณะอีกหลายท่าน <c oughs> ท่านรู้ดีรู้ชั่วพระคณะนี้ก็ต้องยอมรับนับถือว่าเป็นพระดีให้การสนับสนุนจึงว่าทั่งวัดเป็นวัดขึ้นมาได้แต่ความจริงพ่อก็ไม่แคร์ ถ้าไม่ทำพ่อจะประกาศตนเปนอิสระไม่ขึ้นกับใครทั้งหมดแต่มาเอินทุกท่านเป็นพระขึ้นมาเอาจริงท่านเป็นพระก ม, มานานแล้วท่านอดรนทนเราคนชั่วไม่ไหวเส้นกบช่วยให้รวมเข้ามาเป็นมัดเงินสร้างไปเป็นร้อยล้านในลูกรักต้องคิดว่าถ้าคนที่เ้าบวชเป็นพระเนะี่ย เขาไม่ซาทำจิตชั่วชั่วทำการแกล่งแกล้งแต่อมค์อย่างนี้พ่อก็ถือว่าเป็นกฎของกรรมคือกรรมของพ่อด้วยแล้วกรรมของพอะระพุทธศาสนาด้วยที่มีเหล่าอรชีหน้าด้านไม่มีความอายเข้ามาสิงสถิตอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วคนพวกนี้แหละชาวบ้านชอบบูชา เพราะตอนหน้าคนเขาทำดีและหลังคนเขาสร้างความเร็วต่อมาก็มาพูดถึงตอนที่พ่อจะตายลูกรัก <c oughs> ถ้านี่พ่อหมายถึงอารมณ์นะก็ต้องการให้ลูกรู้อารมณ์ว่าการตายวาระที่เจ็ดแต่ความจริงมันควรจะเป็นที่แปดและที่เก้าชุดนั้นพ่อไม่พูดถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พ่อไม่คอรจะรู้เรื่องนะัก เพราะมันเป็นเด็กมาคืนวันที่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยี่ิบสองคืนนั้นร่างกายดีทุกอย่างเมื่อกลับมาจากกรุงเทพแล้วก็รู้สึกว่ามีการพักผ่อนได้สองวันร่างกายก็ดีก็รู้สึกว่าท้องมันจะผูกไปนิดนิดเพราะคิดว่าถ้าปล่อยท้องผูกแบบนี้ วันรับกถิ่นวันที่ยี่สิบไปยสิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเป็นวันเริ่มกรถินวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นวันรับกะถิ่นยังไงยังไงวันรับกรถินเป็นคนมากปีที่แล้วกับสพสสองพันห้าร้อยี่สบเอ็ดวันรับกรถินกว่าแค่จะกลับหมดพ่อกระลุกไม่ไหว ปีนี้ก็เลยคิดป้องกันตัวไว้ก่อนโรคที่มีความสำคัญกับพ่อก็คือโรคท้องคืนนั้นแจงฉันยาระบายนิดเดียวหนึ่งแก้วกินยามันห้าเที่ยวของการระบายถ้าท้องปกติพ่อเลยฉันก็เป็นหนึ่งในสี่ของแก้ว <c oughs> ก็คิดว่าอย่าง่ากที่สุดมันก็ถ่ายเบาๆเปิสองครั้ง แร้วไม่แคนั้นก็ถ่ายครั้งเดียวเพรางโปร่งๆได้ที่ไหนได้ลูกรักพราเวลาสี่ทุ่มท้องเริ่มถ่ายถ่ายทีแรกก็รู้สึกว่าถ่ายส บ, สบายเป็นปกติถ่ายที่สองตอนมาอีกประมาณครึ่ชงชั่วโมงเริ่มถ่ายใหม่ถ่ายคราวนี้รู้สึกว่าถ่ายแบบประเภทเหลวลงจัดมีลมสมัด พ่ อ, อคิดว่าขอในท่อมันข้างมากต่อมาการถ่ายแบบรุนแรงเกิดขึ้นมีกากออกมาหกครั้งในต่อมาอีกสี่ครั้งเป็นน้าอย่างเดียวทุกครั้งถ่ายกรกุกโจ๊กเหมือนท่อเดินอย่างหนักตลอดคืนคืนมา น, นั่นพ่อไม่ได้ น, นอนเลยต้องวิ่งเข้าออกเข้าส้มเดินเข้าเดินออกตลอดเวลา แล้วก็มันนอนนึกในใจว่าการถ่ายหนักแบบนี้ตามปกติสามครั้งมันก็เดินไม่ไหว <c oughs> แต่ว่าคืนนั้นก็แปลกมันมีกำลังตามปกติอาการมึนนการง ง, งอาการเพลียมันก็ไม่มีแต่นี้พ่อก็จะมาพูดถึงการกำลังใจของพ่อ อารู้ตัวดีว่าน้ำออกจากมากจากร่างกายอย่างนี้จิตเขาคิดว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องให้ก็ให้น้ำเกลือเป็นการชดเชยน้ำที่เสียไปสำหรับการได้านกำลังใจมันมีความสุขตามปกติมีรมสบายๆจิตใจในตอนนั้นไม่มีความคิดอะไรเพราะเวลานี้สมองเราะมันได้คิดอะไรด้านจิตใจ คิดอย่างเดียวว่าทุกอย่างมันเป็นของธรรมดาการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแล้วก็อารมณ์เป็นทุกข์ของพ่อไม่มีจิตใจมันเป็นสุขเวลามันนอนใจมันก็ เ, ย, ก เ, ย, เมมยือกเย็นมีอารมณ์สบายสิ่งที่ปรากฏชัดนั่นก็คือพระรูปพระโฉมเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมาในภาวะพรนิพพานสวยร่ามสดใสามากและก็บรรดาทีบรรดาคนดีพรมคนดีพระคนดีมาขันติมและหลอดเกียงทั้งบรรดาปิยะสหายพ่อก็ล้อเล่นกับบรรดาปิยะสหายบ้างนมัศการพระ บ, บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระรูปพระโฉมเขา อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนี้พ่อไม่คลาดจากจิตของพ่อพ่อก็ออกปลยนมัสาการท่านว่าท่านมาทั้งแท่นที่ประทับอันนี้แปลกมากลกูกตามปกติพระพุทธเจ้าจ ะ, สะเสด็จทั้งท่านที่ประทับนี่หายากแต่ว่าในช่วงสองสามเดือนนี้เวลาพ่อเห็นพระพุทธเจ้าทีไรถ้าสเสด็จทั้งท่านประทับ แนะ้ขาวเป็นบะรรกายแพรวสวยสดมงามเป็นพิเศษเวลาที่พ่อไปจะไหว้ท่านกราบพรองค์ไปที่พื้น <c oughs> ก่อนจะกราบท่านก็เหยียดพระบาททั้งสองลงมาแล้วมีดอกบว์แก้วรับแต่สิ่งที่แปลกมาอยู่นิดหนึ่ง <c oughs> สำหรับดอกบว์แก้วนี่เข้ากับเนื้อของพระองค์พอดี เท่าที่เคยเห็นก็เป็นดอกบัวกแก้วใสแต่คราวนี้ปรากฏว่ามีสีทับทิมบางกลีบสลับกับสีใสของแก้วที่เป็นระกายและดูสวยเป็นพิเศษเราะนั้นว่าอารมณ์ใจของพ่อกสบาย <c oughs> พอตื่นขึ้นเชา้าในเวลาเชา้าความจริงก็ไม่น่าจะใช้คำว่าตื่น เพราะว่าคืนทั้งคืนมันไม่หลับในเมื่อมันไม่หลับก็ต้องืีว่าไม่มีการตื่นมันเป็นการหลับเป็นการที่นอนไม่หลับนั่นเองพ่ อ, อ ก, ก็ยังหิ้วหอบของจากชั้นบนลงมาชั้นล่างตามปกติเวลาที่เขาก็ต้มตอนเช้ามาถวายพ่อมองดูอาหารสำหรับสาหรับเรื่องอาหารนี่โลกลักษ ร่างกายของพ่อมันมีอารมณ์ไปอัตโนมัติอาหารที่เขาวางมาถวายนี่ไเห็นเขาแล้วพับมันจะบอกเลยว่าฉันอย่านั้นเป็นโทษถ้าฉันอย่างนี้มีคุณหรือไม่มีโทษดังนั้นการถวายอาหารคุ้มพ่อพอจะไม่อยากให้คนเข้ามาอยู่ใกล้พอคนที่อยู่ใกล้เาบอกฉันอย่างนี้ดีฉันอย่างนั้นดีอย่างนี้อร่อยชนะอร่อย พอเขาบอกว่าอร่อยเครื่องโตนมอัตโนมัติในร่างกายของพ่อมันก็ตัดทันทีเพราะนั้นว่าวันนั้นฉันอาหารอะไรไม่ได้เลยฉันก็เพียงสักแต่ ว, ว่าจำกลืนเข้าไปเท่านั้นอาการอย่างนี้มันเป็นกับพ่อมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กถ้าใครเชียอาหารให้กินตั้งแต่มันเด็ก ท้องมันจะอิ่มขึ้นมาทันทีดังนั้นพ่อจึงไม่อยากให้คนเข้ามารบกวนพ่อเวลาที่พ่อชิฉันอาหารพ่อคิดว่าเมื่อที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสเพสัตาอาหารดัทิกาสัตว์ทั้งหลายจะต้องทรงชี้วิจิตรอาหารแต่ว่าถ้าเจ้าภาพมาชี้จุดบอกว่าอาหารดีคนด้ฉันอย่างนั้นอย่างนี้ ก็เป็นการถือว่าเป็นการตัดอาหารของพ่อโดยที่จะภาพไม่ได้ตั้งใจแลวร่างกายของพ่อนี่แหละมมนจะทรงไหวหรือไม่ไหวอันนี้พ่อก็บอกไม่ได้แต่เรื่องกฎของกรรมนี่ลูกถ้ามันยังไม่ตายมันก็ไม่ตา ย, มยเมื่อคุยกันต่อไปเมื่อเข้าเขาต้มมาถาวายก็มีความรู้สึกว่าไม่เข้าต้มฉันไม่ได้ จะต้องฉันได้แต่เฉพาะน้ําเขาต้มเพราะเรื่องฉันน้ำเขาต้มก็ไปนหนึ่งช้อนมันก็ทําท่าจะอาเจียนมันทนไม่ไหวจึงในโลกจากที่ฉันเข้าตึกขาวเข้าตึกอินทดพงศ์พอเข้าตึกอินเพงศ์ก็รู้สึกว่ามันทนไม่ไหวจริงๆต้องเข้าห้องน้ําของห้องสีแดงคือพรมสีแดง เข้าไปก็เกิดอาการอาเจียนความจริงอาเจียนมันก็ไม่มากนักแต่ขอรูปทราบว่าการป่วยคราวนี้ทุกขเวทนาในร่างกายมันคงจะหนักแต่ว่ามีอาการแปลกอยู่อย่างหนึ่งที่พ่อไม่รู้ว่ามันมีทุกขเวทนาเลยโรคอย่างนี้มันต้องเป็นทั้งอืดเป็นทั้งเสียด ร่างกายยัมีการมึงง่งยงาที่เคยมีเป็นมาในการก่อนแต่คราวนี้รู้สึกว่ามันเฉยเยเมื่อเจียงขึ้นมาก็รู้สึกว่ากำลังตกไปนิดหน่อยไม่มีการง ง, งไม่มีการซึ่มจิตใจเป็นสุขตามปกติแสบอารมณ์ในตอนนี้พลูกอยากจะทราบพ่อก็ขอบอกว่าอารมณ์ของพ่อ มันมีความรู้สึกอยู่จุดเดียวว่าร่างกายนี่มันเป็นสมบัติของตัญหามันจะพังเมื่อไรก็พังจิตใจของพ่อเวลานั้นมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งว่าร่างกายพังเป็นเรื่องของร่างกายแต่ว่าจิตใจของพ่อไม่ได้พังด้วยจิตใจของพ่อจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะเจียนอยู่จะถ่ายก็ตาม จิตใจจะจับอยู่กับพระรูปประโชมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและท่านปู่ท่านย่าของโลกทุกทุกพระองค์แ้ะบรรดาแม่แม่และพี่น้องทั้งหมดและบรรดาพิยาสหายแวดร้อมกันอย่รอบค่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารักจิตโดยตรงของท่านท้ า, ทามหาราทั้งสี่ท่านดาวสี่นี้ไม่ได้ห่าง แล้วก็ท่านมหาชมพูซึ่ไปอา่าของลกูกก็ไม่ในห่างเป็นนั้นว่าทุกท่านอยู่ว่าร้อมมีความสวยสดงามสวยร่ามโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งท่านยา่าคือแม่สีใหญ่เป็นพราสมีกายสวยสดงามสว่างเป็นพิเศษพ่อรู้สึกจับใจมากอาไรลูกรักพ่อพูดเพลินไปนะ ดูวเวลาเลยไปสนิทถึงแล้วนี่ลกสำหรับคัดเศษหน้านี้ห น, น้ามันจุดจะหมดแต่พูดยาวไปเวลาบันทึกถ่ายทอดหน้าหลังมันจะขายข้างหน้าสำหรับหน้านี้พ่อข อ, อยุติว่าตเพียงเท่านี้นะขอความสุขและความปรารถนานดีที่ลูกตั้งใจขอลูกทุกคนยังเข้าถึงนิญญา์ในชาตินี้นะลูกนะสวัสดี